่ำทำต่ออีกเพื <c> ่อ <oughs> ให้เป็นส่วนประกอบตับการงานที่เราทำได้ยินสิ่งที่เราได้ทำได้ทำสิ่งที่เราได้ยินที่ว่าส่วนประกอบ ให้เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินด้วยให้เราสัมผัสสิ่งที่เราได้ยินด้วยอย่าได้ยินลอยเฉยก็หูวซ้ายออกหัวขวาเอาไปสัมผัส ด, ดูจึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าไม่สัมผัส ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเป็นภาษาโนกแก้วโนกขนทงจินพริกอาก็ว่าจินกล้วยเราพูดได้แต่เราทำไม่เป็นมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เราสัมผัสแล้วเราเห็นแล้วเราทำเป็นแล้ว จึงออกมาพูดที่เราพูดเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้เป็นแล้วก็ยังใช่ไม่ได้เหมือนสมัยข้างพระเจ้าสมัยข้างพระเจ้าก่อนที่ว่า พุทธังสระดังคาฉามิมันจะสพพบเห็นมาแล้วจึงกล่าวออกมาทางวาจาได้ฟังเทศเพื่เจ้าได้ลำดับรูได้สัมผัสดูแล้วจึงได้กล่าวออกมาได้พูดออกมาทางวาจาได้สัมผัสทางจิตใจแล้วจึงพูดออกมาว่าข้าพเจ้า โ อ, โอ้เถอะพระพุทธเจ้าเป็นชนะชนะอื่นของข้าพเจ้ามัมีอีกแล้วข้าพเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นชนะข้าพเจ้าพ้นจากทุกท้องพวงมาได้มันพ้นมาแล้วจึงได้พูดออกมาทามังสังคังก็เช่นเดียวกันได้ทําดูได้เห็นได้สัมผัส ได้สัมผัสความหลงได้สัมผัสความรู้ความรู้มันดีกว่าความหลงสัมผัสความทุกข์สัมผัคมสผความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์มันถูกต้องกว่าความทุกข์มันจึงพ้นจากทุกข์จึงเป็นการสัมผัสอย่างที่เราสาธยายพระสูตร สวดมนต์ไหว้พระทม ว, วัดเช้าทำวัดเย็นเอาละได้สัมผัสไปด้วยทำกิจใส่ใจตามเป็นภาคปฏิบัติไปใน่แต่ตำราในปฐมมสมโพธิร่างคลา มาอยู่ในถ้าพระสงฆ์สวดมนต์้งางเร้ามั่ว่ังด้วยความซาบซึ้งใจแล้วก็ยังได้มันตายไปมันยังได้ตกลงมามันจะได้เป็น อะไรก็ไม่ลู้จะไม่ได้เป็นพระหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอ น, นี้พะสูจน์นี่เรียกว่าจิตใส่ใจตามช่างอันพยศเอาภาพรปสวรมนต์ไหว้พระให้ช่างฟัง จ้างได้ยินมีแต่เพเมตตาช่วยกันจะรุณาสงสารอย่าพยาบาทเวียเวียนการช้างมันประโยชน์มันได้ยินแต่เรื่องนี้มันเราหายประโยชน์ได้เราได้สัมผัสกับคำสอนตอนเช้าตอนเย็น ตั้งเราได้ปฏิบัติ ร, รมเจริญสติภาวนาขยันลรูปเป็นเรื่องที่เหมือนกับฮู้โมนฮู้โมนเลกให้มันงอกงามให้มันออ ก, ออกดอกออกผลแหมนเขาปลูกให้ผลเขาใส่ฮู้โมน มันก็ออกดอกออกผลได้งั้นก็นเลิกนะตั้งได้ยินได้ฟังทั้งเอาไปทำดูได้สัมผัสดูเราได้ยินมาสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเอามาสัมผัสกับกายกับใจนั้นกับโฮอรมนแล้วก็งองามที่กายที่ใจ มันโฮอร์โมนมันไปถูกยอดไม้รากไม้มันก็สัมผัสกับรากไม้ยอดไม้ก็เกิดตออกออกผลได้ไม่ใช่โฮอร์โมนอยู่อันหนึ่งต้นไม้อยู่ที่หนึ่งมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ เ ต, ติความระลึกได้สองปัญญาความรู้ทัวมันต้องมาอยู่ที่กายที่ใจเอากายผสมผัสเอาใจผสมผัสไม่ใช่ให้มันรู้เองเจตนาให้มันรู้ไม่ใช่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันหลงจึงรู้มันจะไม่ค้อง ไม่ได้ป้องกันมันแก่ไขถ้าหลงเวลาใดรู้เวลานั้นไม่ได้แกมันมันเป็นการแค่ไขเฉยๆเหมือนคนป่วยไ ป, ไปแล้วจึงไปหาหมอเกเล้าสูบุรีเมืเม่อวันเป็นโรคขึ้นมาจึงไปหาหมอมันแก้ได้มันแก้ไม่ได้ก็มีเหมือนกันโรคบางอย่างแก้ได้โรคบางอย่างแก้ไม่ได้ จนเป็นจริตนิสัยลาคะจริตโทสจริตโมหะจริตเจยากเป็นอนุษใสหนนเนืองอยู่ในจิตใ จ, จดึงไม่ออกตายด้วยกันเกิดด้ยวยกันเก็บด้วยกันเก็บผูะความเก็บทุกรูะความทุกตลอดชีวิตหลงพูะความหลงตลอดชีวิตอันเข้าเส้นเลือด เหมือนนิโคตีนใช่ไหมอาสามหมอคนติดบุหรี่ น, นิโคตี น, นมันอยู่ในเช่นเลือดแล้วกินหมากมีนโคตีนอยู่ในเช่นเลือดแล้วเวลาไม่ได้กินไม่ได้ไไดสังผัสกับควนบุหรี่กับ มกันก็หิวหน้าก็เหลืองเมื่อมันหิวมันแห้งเมื่อมันแห้งมันเรียกลงมัต้องเติมให้มันมันชุ่มขึ้นมามันเป็นนิโคตินนั่นไม่ใช่เราสบายอนนี้โคตินมันชุ่มขึ้นมามันก็ดีหน่อยเดี๋ยวก็แห้งอีกนั่นอยู่ในเช่นเลือด เราหลงมันอยู่ในเส้นเลือดเราทุกข์มันอยู่ในเส้นเลือดเราโกรธมันอยู่ในเส้นเลือดมันแก้ไขา ย, ยากเราจึงต้องป้องกัน <c oughs> การป้องกันดีกว่าการแก้ไขคือมีสติเป็นในกาย <c oughs> ทั้งป้องกัน <c oughs> ทั้งพร้อม <c oughs> มีผัมี มีภูมิกุ้มกันโลกแค่นี้ดได้ถ้ามีสติไปในกายมีสติไปในใจเย่ะภูมิกุ้มกันขีดคี ด, คดบกสินใช่ไหมบกสินป้องกันสาาสมมุติเอามาประกอบ ปกหมัดฉินป้องกันโรคต่างๆโรคบางอย่างป้องกันไม่ได้โรคเอทเน่เ อ, อรักษาไม่ได้แต่ป้องกันป้องกันได้บางทีโรคมันรักษาไม่ได้เช่นโรคเอทยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ นสติสัมปันญะเป็นยาคุมกำเนิดของโลก้าแต่มีอยู่ในกายในใจเรามันมีไหมถ้าไม่มีก็ประกอบขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นเพราะการประกอบไม่ใช่เกิดขึ้นเพกการาะกวามคิดท่องจำจำได้เขียนได้สอบผ่านเนื้อธรรมชนตีทเอก ได้ใบ ป, ประกาศห้อยฝาไว้มนั่นมันเป็นอันหนึ่งมันใช่ของจริงที่มีอยู่ในหล่าอันนี้ก็ใกล้สั ป, ปดาแห่งการตัดสู่ของผู้เจ้ามาแล้วในสมัยนีย้ตอนนี้ก็กลังจะเดินลงมา ตามรุ่มน้ำเอลันชลาจากตรงข้าศิลปตามแม่น้ำลงมาก็จะถึงพุทธคยาแล้วเตจเตดังหูกระดูกะดำเนินมากับปัญจวัคคี ก็พอจะเดินได้แถวเนี้ยมันไม่มีค่อยมีภูเขาบางทีก็จะเดินตามฝั่งแม่น้ำขึ้นฝั่งบ้างเดิน <c oughs> มาได้เดินต้นนิโคตกยใก ล, ใกล้หมู่บ้านสุชดา ในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกมานั่งอยู่นั่นก่อนมาประทับนั่งอยู่นันก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากนิโคดฝั่งตะวันออกเดินข้ามนิโคดเดินข้ามแม่น้ำนิรันชลามาทางฝั่งทิศตะวันตกมาได้ต้นสีมหาโพธิ์ ในวันเป็นเดือนหกเนี่ยมันใกล้ๆสั ป, ปดาห์แห่งการตัดจะรุถ้าเรามาลำดับมนุภาพมันก็เป็นเรื่องของเราเราอยู่ที่ไหนไม่ได้เดินไปไหนเพียงแต่เราลำดับว่าจะทำเรื่องนี้ มันก็เป็นเรื่องของเราทั้งสิ้นเอาอย่างาพระพศาสดาเอาอย่างาพระพุทธเจ้าลองดูใส่ใจลองดูพอมาถึงบรรพินเดือนหกได้ที่นั่งไปกู้แขนเข้าเหยื่อเฉนออกมีสตินั่นเอาสติมาสัมผัสกับกายมีกรรมมีที่ตั้งมีการกระทำ จะเฉินออกรู้รู้เฉินเข้ารู้เยอะเฉินออกรู้มันหยาบมันพอสัมผัสได้ไม่ต้องใช้สมองเป็นการสัมผัสเอากายไปต่อเอากายมันสัมผัสกับความรู้มันก็ใจมันก็รู้ที่นี่เพราะความรู้ศึกตัวมันทั้งหมดของกายของใจรวมลง เป็นความรู้ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแต่ว่าเวลาใดที่มันหลงคิดไปนั่นมัน จ, จะคุมใจก็มีความรู้ขึ้นมามนก็กลับมหาลู้มันไปไม่ได้ถ้ามีความรู้ศึกตัวอยู่จะเป็นอะไรก็ทำกลับมาอย่างนี้มันกลับมาได้ทุกกรณีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับไปกับใจ จึงเป็นกรรมฐานมีที่ตั้งมีการกระทําให้เป็นเป็นให้เป็นปัจจุบันตามที่ตั้งไว้จนอดีตเป็นอน า, า, าคตหมกุ้นกับอดีตหมกุ้นกับอนาคตมันติดไรมาเปื้อนเพื่อนไรมาเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องอันใดกังวลเรื่องอันใดให้มายอยู่ปัจจุบันนี่มาที่ตั้งไว้นี้อย่าเป็น กิเลส1 5นห้าตั้งหาร้อยแปดอะไรก็ตามมาตั้งลองดูมาตั้งวัในกายนี้เรียกว่ากรรมฐานมันเกิดมันมันตัดกรรมเม่อมันรู้สึกตัวอยู่กับกายมันก็ตัดกรรมกรรมดีกรรมชั่วสังขารปัญญาพิสังขารสังขารคทือบุญ อปญญาพิสังขานสังขานคือบาปนันที่มันติดทั้งสองอย่างคุ่มร้อยคน้มดีติดดีก็มีติดชั่วก็มีติดสุขติดทุกข์ก็มีติดลักติดเกียติดชัง้งเกีติโลกติดโกรธหลงก็มีให้มาตั้งไว้ตรงนี้เรียกว่าที่ตั้งแห่งการกระทา มาทำดูมาสัมผัสไม่ใช่คาพูดไม่ใช่สมองไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เหตุใช่ผ ล, ผลเมื่อเหตุเนื้อผลกอได้รู้เป็นส่วนตัวหลงก็เป็นส่วนตัวไม่มีใครหลงให้เราไม่มีใครรู้ให้เราื่อหลงเปลี่ยนหลงให้เป็นให้เป็นเป็นหลงให้รู้ให้เป็นอย่าให้หลงเป็นหลงจะมาเกิดขึ้น อะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราตั้งไหวมันไม่อยู่ที่ตั้งเรา ก, กลับมาตั้งไว้เรียกว่ากลับปฏิบัติคือกลับมาเวลาใดไม่เท่าไหร่หลงไปก็ลู่ไปเรื่อยๆให้มันหยั่งรากตังไปให้ลู่มากๆตามกรรมฐานตามวิชากรรมฐานนั้น กายวัจนชาติปัฏฐานมันก็เรื่องกายของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ในตำลาตำราเขียนทีหลังกลายเป็นตำลาเล่มใหญ่จิตใจเป็นตำลาเล่มใหญ่ตติเป็นนักศึกษาเข้าไปดูเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนนั้นสามัญลักษณะสามันชนเหมือนกันหมด ปัญหาเกิดที่นี่ปัญญาเกิดที่นี่บาปบุญเกิดที่นี่และบาปละที่นี่บุญเกิดที่นี่ทุกคนก็เหมือนกันจะเป็นคนชาติใดภาษาใดระดีใดนิกายใดเพศใดไว้ยใดเหมือนกันหมดถ้าความรู้สึกตัวไม่ใช่หนุมไม่ใช่แก่ไม่ใช่นักปวดไม่ใช่ค า, ารวะไม่ใช่หญิงชาย มันเป็นความรู้สึกตัวเหนียวกันขนะดาษนี้น่าอาัศจรรย์ธรรมะมันน่าอาัศจรรย์เรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราการตัดสัลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้าโดยลําพังพระองค์เดียวเป็นเรื่องของเราด้วยอย่าให้มัน ถุนหายไปน้อมมาใจเราทำเอามาไ้ไในเราความรู้สึกตัวอยู่กับพระเจ้ากับความรู้สึกตัวอยู่กับเราเวลานี้นเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่น่าจะภูมิใจและยังทาได้อยู่หัดได้อยู่ฝึปกปฏิบัติได้อยู่ ไม่ผลได้อยู่แบบรู้ก็รู้ได้อยู่เวลาไหนก็รู้ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเอาวัตถุอุปกรณ์ที่เกิดกับกายมาผิดออกมาได้หลายอย่างหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้ทิพตาเกิืนดํารายเดินไปก็รู้ได้เคลื่อนไหวก็รู้ได้ เป็นเครื่องมือที่เอามาประกอบเรื่อนี้ได้ทั้งหมดไม่จนจะอ้างว่าอันนั้นอันนี้อ้างว่าร้อนนักอ้างว่าหนาวนักอ้างว่าเหนื่อยนักอ้างว่าหิวนักก็อย่างเช่าอยู่ไม่อ้างเอาเลยตื่นขึ้นมาเอาเลยตื่นเช่าเก้าหลังยามตื่นเช่าได้เก้าหลังยามได้เก้าหลัง ได้กข้าหลังที่ได้ประโยชน์ว่าพุทธปร ะ, พประมพระสงฆ์สิ้นทานพระนาเกิดที่นี่อย่าจนมนุษย์สมบัติมันเป็นอย่างนี้สวรรค์สมบัติมันเป็นอย่างนี้นิพพานสมบัติมันอยู่ที่นี่ที่กายที่ใจเรานี่ยแต่ได้ทุกคน อย่าไปมีเปรียบเทียบมานะอะไรเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบอาจจะได้ยินว่าอิกษุนีคนนั่นได้รู้ธรรมพระเจ้าเคยบอกพระสงฆ์พระสงฆ์ลูปนั่นได้บุรุษ ธ, ธรรมวาสโสคนนั่นได้รู้ธรรมวาชกาคนนั้นได้บุรุษ ธ, ธรรมได้ยินอยู่บ่อย เพลพวกเราก็วาสองตั้งปองเราคนหนึ่งเส่หตัวเราเข้าไปอย่าไปคิดว่าเขาเละเขาเลิศ ก, กว่าเราเราเลีว ก, กว่าเขาอย่าไปคิดแบบนั้นให้หรือว่าเราเราทำได้ปฏิบัติได้อยู่นี่ไม่ต้องไปอะไรมันได้มันหลงเพียนหลงเป็นรูปได้นี่ก็ททำเท่านี้ไป เวลาใดมันรู huh responds, ้อย in ู enfin ่ก็นด้วยทำได้แล้วเวลาใดมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ทำได้แล้วเวลาใดมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ทำได้แล้วเวลาใดมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเป็นรู้สึกตัวก็ทำได้แล้วอย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้จะไปเอาเคนเลยมาวัดตัวเองไม่ใช่เกณฑ์ชี้วัดเหมือนแบบสอบ ตรวจสอบไม่มีใครตรวจสอบเราได้กรรมเป็นของเราเอง ว, อว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้หนแหละตรวจสอบทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเปลี่ยนโกรธไปโกรธเปลี่ยนอะไรเป็นความรู้ไปนาะตรวจสอบนันต้องเป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่ตั้งต้นจากนี้ไม่ก็ไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุด นั่นมีงานอยู่เราก็มีงานกันทั้งนั้นมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีหลานมีชิงต่างๆอยู่ <c oughs> มันก็ยอ่อม <c oughs> เป็นเหตุให้เราหลงไปกับสิ่งที่เกิดผ่านมาบองทีพัดพาจากของรล่ของชอบใจมาปตาเถื่ิงใดตั้งใจสิงใดไม่ได้ชิงนั่นมาเป็นรอยแห่ง เป็ลอยแห่งความได้ความเสียรวมได้ความไปได้มาแล้วก็เป็นงานของเราแห ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ละงานของเราใครก็เลิกลูกเลกเมียใครก็เลิกพ่อเลิกแม่ใครก็เลกเพื่อนเลกมิตรเลิกความดีเกียดความชั่วกันทุกคนนั่นแหละงานของเราไม่ใช่เอาความเลิกเอาเหตุเอาผลนั่นมา เป็นเรื่องที่กังวลให้เป็นเรื่องการกระทําลงไปตัดเป็นตัดกรรมมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเอาไว้ดั้นแหละอันที่มันมีมาตั้งมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันรู้สึกต่อไปนานๆลองดูไม่มีอะไรที่ไม่เริ่มต้นทุกอย่างต้องเริ่มต้นให้แต่เราจะเดินต้องมีก้าวแรก จึงเกเป็นเข้าที่สองจึงถึงจุดหมายปลายทางชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่มีการกระทําจึงมีสําเร็จถ้าไม่ไมีการกระทํามันก็ไม่สําเร็จทําเอากรรมฐานศักดิ์สิทธิ์ทำดีมันดีเนี่ยเปลี่ยนชั่วเป็นไม่ชั่วเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เอาไปอ้างบุญวาชนาบุญวาชนาอย่าเอามาอ้างว่าคือเขียนเอาอยากได้ภาพดีเขียนเอาวาชนาคือเขียนเอาบารมีพ้อมตรงจะเปลี่ยนพ้อมที่จรู้เวลามันหลงกพร้อมที่รู้หรือว่าปารมี คือสตินี่แหละมันมีบารมีแต่มันหลงเราก็รู้ได้ไม่ปล่อยทิ้งมันทุกข์รู้ได้ไม่ปล่อยทิ้งเรื่องบารามีเมื่อมันหลงจะรู้ที่นั่นมีบารมีเต็มขึ้นบ้างเหมือนกับกันเหมือนเทวดาเมืองเทวดา หนึ่งวันเท่ากับร้อยวันของเมืองบรรทุนหนึ่งวันเท่ากับพันวันของพวกอบายเพราะอะไรเออวันทุกข์มันก็ทุกข์มากนานเหลือเกินผู้ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเวลากับหนึ่งกับหนึ่งกว่าจะได้ กับหนึ่งสงกับร้อยกับพันกับภูเขาพุตเมนสงร้ยยอดว่องร้อยยอจะมีเทวดาเอาผ้ามากวดวันหนึ่งอะอะไรก็ไม่รู้ปีละครั้ง <laughs> เอาผ้ามากวดหลังภูเขาร้อยยอะปีละครั้ง จนภูเขาลาบลงเสมอแผ่นดินนะกับหนึ่งขนาดนั้นนะแล้วว่าปฐุมวชิโภพอันนี้มันกลับหนึ่งมันหลงที่ได้รู้ที่เรื่องเต็มกันว่าเหมือนสะลึกร้อยโยดกุ้งร้อยโยดยาวร้อยโยดจะมีหนึ่งปีเทวดาเอาเม็ด็ดงามมาทิ้งลงเม็ดหนึ่งกว่าเม็ดงามจะเต็ม ะนันจึงเรียกว่ากับหนึ่งมนันสงไข่แฉกับมหากับดังโบราณท่านสอนไว้แบบนี้มันลึกถมม่ดูจักเต็มมันดูจักอิม่มหลงเท่าไหร่ก็ไม่เคยถมทุกเท่าไหร่ไม่เคยถมเวลามันหลงรู้ขึ้นมาถมแล้ว ไม่ต้องสิปีวันหนึ่งหลงร้อยครั้งปันนองรู้ร้ยขรังวันหนมันจะเต็มขึ้นมาได้เนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีเต็มพ้องอยู่เป็นนิดโคมหลงก็พ้องโคมโกดก็พ่องโคมทุกโกพ้องมันไม่เต็มสตีถ้ามันมีสติเต็มเทิมลงไยแล้วมันหลงมันคิดมันสุขมันทุกรู้ลงอยมันจะเต็มขึ้นมาหรือว่าปาลมี โอมไม่ใช่อ้อนโบนสัจจะนี่มีศาสตร น, น, น้าอ้อนโบนไป็าสน้าแห่งการกระทาแล้วกระทาเอา้าไม่ใช่อาศัยใครไม่ใช่ใครตาบุญหากุตายไปแล้วทําบุญหาคุณได้เดอ้อไม่มีทางสาัจจะนี่ไม่ได้สอนอย่างนั้นทําบุญเอา ถ้าทำบุญให้พอได้โยมถ้าทำบุญหาเนี่เสี่ยงมากไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนต่อแม่ตายไปแล้วทำบุญหาพ่อหาแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ใด ย, ยังสงสัยยังไม่รู้พอมือลงมาทํานี่โอ้ยเนี่ยเราคิดถึงพ่อถึงแม่มีบุญคุณมากต่อเราชาัดยังไงนี่ กายของเราใจของเราเมาทำดีอย่างนี้แม่พ่อแม่เราตายไปแล้วยังงภูมิใจยอยู่นี่ลูกของแม่ลูกของพ่อลูกชายของพ่อลูกชายของแม่ไม่ทำชั่วทำดีนี่แทนพ่อแทนแม่เนี่ก็ภูมิใจอยชีวิตไปไหนไปกับพ่อกับแม่ทุกไปได้สงสารพ่อแม่โกรธไปได้สงสารพ่อแม่ มันทําะไรหลงไม่ได้สงสารพ่อแม่ น, ะนี่สําเร็จพ่อแม่ทุกคนเรื่องลูกให้เป็นอย่างนี้ถ้าลูกเป็นอย่างนี้ด้วยไม่ไม่เป็นนี่ตองบุญแทนคนพ่อแม่เราอุคิดให้ได้อุทิศไดต้ตามตำราว่าอุทิศส่วนมุกุศลให้ก็อุทิศอย่างนี้ เือท่านไปอยู่ที่ไหนก็ลูกชายของพ่อของแม่ลูกสาวของพ่อของแม่อยู่ที่ไหนก็ตามอุทิศตลอดเวลาทําดีแล้วความชั่วตลอดเวลาเพียงแต่เราอยู่บ้านเราได้ยินลูกของเราอยู่บ้านใดเมืองใดได้ยินว่ามันเป็นคนดีเราก็สุขใจแล้วเพียงได้ยินก็สุขใจแล้วเมื่อลูกเป็นคนดี นั่นมันก็เป็นจุดตายแต่อุทิศนะอุทิศอย่างนี้อุทิศได้แต่อุทิศนะด้วยคิดเโาคิดว่าจะได้อย่างนั้นนี่มันยากถ้าเราทำแบบนี้อุทิศได้มั่นใจร้อยเปอเซนว่าลูกชายของพ่อของแม่ลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนไม่เร็วไม่เร็วเด็ดขาดถ้ามีโอกาสก็พูดให้พ่อฟงังสักครั้งหนึ่งก็ดีนะ ตบหน้าอกใส่พ่อใส่แม่เลยสักครักหนึ่งพ่อแม่อาจจะอดยกมือไม่ได้อาจจะยกมาไหวสาทุกนวัีแล้ ว, ลวเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างนี้มันทุกอย่างเลยปฏิบัติทำแล้วเวลามันหลงลุกขึ้นมาเนี่ยสุดยอดลเอลยเวลามันโกรธลุกขึ้นมาเวลามันทุกข์ุกขึ้นมา เวลาไม่เป็นอะไรก็รู้อยู่เนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตได้ชีวิตชีวิตเกิดจากภาวะที่ไม่เป็นอะไรนี่คือรู้อยู่เนี่ยมันหลงก็่รู้มันสุกก็่ารู้นี่มันเลยไม่เป็นสุขเป็นทุกข์นีคือชีวิตอะไรแล้วสุขเป็นเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธไม่ใช่ชีวิตตายทั้งเป็นประมาท คือตายผู้ไมีสติตายผู้มีสติไม่ตายเยจิตตังฉันเมจฉันติโมกันติมารพันธะดังท่ามโมกขราชกลัวตายผู้เจ้าบอกเรื่องนี้เยจิตตังฉันยเมฉันติโมกขันติมาพันธะดังเธอจงมีสติทุกมื่อมจุราชตามไม่ทันหมายถึงมีสตินี่แหละ มีชีวิตแน่นอนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเพราะมันมันรู้อยู่มันเห็นอยู่เนี่ยจนในที่สุดมันก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ดังที่เราเสาะที่พระสูตรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังการไม่เที่ยงมันก็ผู้จักลบไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตน มันก็เป็นอย่างนี้เวล า, าปฏิบัติมันก็เห็นอย่างนี้อันไม่ใช่อันสุขอันทุกข์ไปใช่ชีวิตอย่าไปให้มันอยู่กับเราอย่าไปยึดว่าเราเป็นของที่เกิดขึ้นหายไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปอย่าเสียเปียบมันเป็นสุขปุถ์เพราะมันปุงมันแต่งให้เราเห็นมีสติเนี่ย เห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยยอดเที่ยมแล้วก็เป็นจังนั้นจริงที่ยว่าปฏิบัติทำให้มันเป็นไม่ใช่ยกมือเฉยๆว่าเป็นแล้วไม่ใช่ไม่ยกมือก็รู้ได้ไม่ต้องยกมือก็ได้นั่งเฉยกๆก็รู้ได้มันหลงว่าไม่ได้อยู่ในรีวยกมือ แต่เราลู้แร้วมันไม่มีแล้วสนใจความหลงสนใจความทุกข์สนใจปัญหามันไม่มีถือว่าลาบของเราถ้ามีใครนินทาสันเฉินถือว่าเป็นกระจกให้เราได้ลู้ตัวเราไม่เราเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยจะมีถ้ามันเกิดขึ้นจากคนอื่นเห็นก็ขอบคุณเขาจะได้แค่ไข้ขตัวเรา ตัวของเราเองติเตือนเราเองโดยฉินได้หรือไม่ผู้ลูกเคยควรแล้วติเตือนเราติเตือนเราโดยฉินได้หรือไม่ได้ยินดีเอาเลยเหมือนเต่าพระเจ้าไปวินทบาทกระหมูสงแม่น้ำคงคาเห็นเต่า เดินคานอยู่ฝั่งแม่น้ำหาจินผักกินยากจูเจ้าพาโมสงเดินดำเนินไปวินทอบารดโดยดีหมาป่าน้าป่าร้ายๆนะประเทศอินเดียนี่เห็นเต่าคานอยู่บนฝั่งแม่นม้ำวิ่งเข้ามาจากกินเต่า เต่าก็เอาเลยมันขดเอาไวยะวะมันเข้ากระดองนี่หัวมีขาสี่ขามีหัวขุดเอาไวยะวะเข้ากระดองมหมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเต่าก็บอกเอาเลยเอาเลยจบตนุนไหนก็เกัดกระดองเต่าก็ไม่ไม่ได้หรอกไปปุ๊บเชื่อเล ย, ยนี่แหละพิษุทธิั้งเลยเธอจึงเอาอย่างกรเต่านี้ เจ้าเปนกระดองเธอจงมีกรรมฐานเป็นกระดองเธอจะปลอดภัยพิสุทั้งหลายนั่นอะไรที่มันโศกมันทุกข์ลุกขึ้นมากระดองของเต่ากระดองของเราคือกรรมฐานกรรมฐานแต่นกระดองคือความรู้สึกตัวเนี่ยหดเข้ามามันหลงเข้ามามันโศกมันทุกข์เข้ามา อยาให้สุกเป็นสุกใจทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงลักเป็นลั ก, ลกเกเียดเป็นเกียดดีใจเีย ใ, ใจมันมารมารมันกินได้หิ้วไปได้ถ้าเรากลับขาบารูกคือตัวเนี่ยมันกระ ด, ดองเธอจงมีกรรมฐานไปกระ ด, ดองของชีวิตนั่นเราเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยถูกต้องที่สุด ซึงเป็นงานที่จะมาพิสูจน์ด้วยกันดูอย่าไปเชื่อนาหน้าสัมผัสไม่ใช่มาเห็นยกมือสร้างจาวะเดินจังกรมไม่ใช่การขยันรู้ไม่ใช่เดินจะกรมไม่ใช่สร้างจาังบะอะไรก็จำมาไดาแต่ถ้าเวลาประกอบความเพียรมันก็ดีมันจะได้เกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกวนมัน กวนมันให้มันขุนขึ้นมามันจะได้เห็นอะไรมันอยู่ที่นั่นบ้างเหมือนปลาอยู่ในอยู่ในบวกกวนมันจะเห็นปัวปลากันมาบางทีอะไรที่มันไม่ใช่อยู่ในน้มนมก็วิ่งขึ้นวิ่งหนีได้หรือกันเหมือนกับพุทชาพุชชาที่มันสุกในต้น เราเขย่าต้นบอลลูนลูกบางลูกมันหล่นลงมาไม่ใช่หล่นเนี่เพราะลูกมันสกจริงแห้งก็หล่นลงมาใบก็หล่นลงมาดูบางลูกไมหล่นเหมือนเกิดปัญหาที่เกิดเ ก, กิดปากเกใจของเราบางอย่างหลุดไปง่ายๆหูุดไปง่ายบางอย่างก็รอเอีกงดานหน่อย บางอย่างหลุดลงบางก็จะเอาเจ็บเอาเฉพาะลูกสุกจริงแห้งแห้งใบแห้งๆก็จะเอาเราก็เลือกกันแต่อไรที่มันเกิดกับกายกับใจของเราเนี่เวลาเราทําความบรรทานบางทีมันสุกเนาะมันก็ติดสุกมันไม่มันก็ไม่ใช่บางทีมันทุกข์มันติดทุกข์ก็ไม่ใช่ให้เห็นมันไม่เหมือนกัรมันสงบก็เห็นมัน มันปิติประจทิเห็นมันอย่าหลงให้รู้มันตกลงมาเห็นมันเลือกให้เป็นมันหลงใช่ไหมได้โกรธใช่ไหมได้เหมือนกับขิงอะไรที่มันหล่นลงมาจับหลับผู้ปฏิบัติวะโยคาวาจรเกิดขึ้นได้บางคนแต่ว่าเราฝึกสตินี่ไม่ค่อยเกิดนี่มต เคยไปสนกรรมฐานที่เหลี่ยมสิงมีอาจารย์สองกรรมฐานแบบธรรมกายมาขอสนขอนชั่วโมงนั่นในนักปฏิบัติอยู่นั้นประมาณสี่ห้าสิบคนก็เลยเอาลองดูเขามาสอนให้ลูกแก้วับลูกแก้วขึ้นมา เห็นลูกแก้วไหมใครดูก็เห็นลูกแก้วนี่เป็นนี่มองให้ติดตานะหลับตาดูเห็นน้อยบางคนก็เห็นมโนภาพเอาลูกแก้วลงไปในขอเลื่อนลงมาหนะ้าอกเลื่อนลงมาท้องมะสจดือมาใต้สะดดื้อลูกแก้วเลื่อนลงไป ยกตุ๊กเจ้ากันมาเหนือจะดือสองนิ้วแล้วกใ็ให้ให้ภาบันนาตามวิชาธรรมกายชื่อโมงหนึ่งผ่านไปถ้าใครเห็นธรรมกายก็ขึ้นยกมือขึ้น ตอนที่นักปฏิบัติที่อยู่ที่นั่นชุ่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มีใครยกมือหมดเวลาขออีกสิบนาทีถ้าใครมีเห็นธรรมกายยกมือขึ้นไม่มีอีกสามทิบนาทีก็ไม่มีแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมไม่มีธรรมกายเกิดขึ้นหลวงพ่อก็บอกว่า ทีนี้เขาฝึกสติกันไม่มีนิมิตมีแต่สติมันจึงเกิดนิมิตแบบนั่นเลยจ้ะก็เลยแปลกเหมือนกันเขาว่าเพราะฉะนั้นการจเจริญสตินี่ไม่เคยเกิดนิมิตนะอย่าไปสนใจว่าแต่มีสติรู้สึกตัวไปนะโอ้สมควรใช้เวลากับพระพร้อมกัน